ORCHESTRA PLAYS ชาผู้งโง่เขลาทรงเชื่อคำแนะนำของบุรุษผู้งโง่เขลาจึงรับสั่งให้นำโอโคผู้ลูกโคตัวผู้ลูกโคตัวเมียแพะแกะช้างมาตลอดถึงมนุษย์รวมทั้งเด็กหญิงเด็กชายอย่างละรอยนำไปผูกไว้กับเสาเพื่อบูชายันทายชีวิตของพระราชาเพื่อสนองความงม ง, งายของผู้ที่งงงาย เม่มนุษย์และสัตว์มารวมกันอยู่มากในบริเวณที่กว้างต่างก็รู้ตัวว่าจะต้องตายจึงเศร้าโศกคลั่มครวญเสียงระงมไปทั้งลานกว้างไม่เพียงแต่เท่านั้นญาติพี่น้องและมารดาบิดาของเด็กที่ถูกจับตัวมาเพื่อบูชายันนั้นต่างก็คลั่มครวญโศกาดูนพระราชานั้นทรงดาริแต่เพียงว่าจเจ้าชีวิตของพระองค์ให้รอดไม่ทรงคํานึงถึงชีวิตของผู้อื่นสัตว์อื่น เสียงคล่่าครวญดังมากจนกระทั่งนางมาริกาเทวีทรงทราบ พ, พระนางเป็นผู้ฉลาดทรงทราบเรื่องโดยตลอดจากพระโอษฐ์ของพระราชาแล้วูลุว่าพระองค์ทรงเป็นพระราชาควรบำบัดทุกบำรุงสุขของมหาชนไม่ใช่โยนทุกร้อนไปให้เขาหรือแสวงหาความสุขส่วนพระองค์บนความทุกร้อนของประชาชนผู้เป็นราษดรของพระองค์เองดังนี้แล้ว พาพระราชาไปเฝ้าพระบรมศาสดาณเจดวันวิหารพระผู้มีพระภาคผู้มีพระยานสว่างไสว ย, ยิ่งกว่าดวงตะวันตรัส บ, บอกพระราชาว่ามหาบาพิษเสียงนั้นไม่เกี่ยวอะไรกับชีวิตของพระองค์หรือราชบัลลังก์หรือพระประยุรญาตแต่ประการใดเป็นเสียงของสัตว์รกที่เสวยกรรมชั่วของตนเปล่งเสียงออกมาเพราะทุกขเวทนาและสำนึกตน ขอพระองค์จงปล่อยมนุษย์และสัตว์ที่จับมาเพื่อบูชายัญ น, นั้นเสียเถิดการบูชายันญอย่างนั้นยิ่งทำมากก็ยิ่งบาปหนักพระเจ้าเประสเซนที่โกศลได้อาศัยพระนางมาริกาและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับแสงสว่างแล้วรับสั่งให้ปล่อยมนุษย์และสัตว์เหล่านั้นให้เป็นอิสระสัปสัตทั้งหลายต่างชื่นชมยินดีเป็นล้นพ้นการให้อภัยทาน จึงเป็นการให้ที่ประเสริฐอย่างหนึ่งดูก่อนพระราชาผู้มีศรัทธามีปัญญามีความกรุณาย่อมเป็นหลักเป็นที่พึ่งของคนและสัตว์เป็นจำนวนมากพระสารีบุตรเป็นผู้ช่วยเหลือพระผู้มีพระภาคในการสั่งสอนธรรมแก่ผิ้ศึกษาทั้งหลายเป็นผู้ช่วยที่ดีเยี่ยมจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นธรรมเสนาพดีแม่ทัพธรรม พระผู้มีพระภาคทรงเป็นธรรมราชาคราวใดที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโดยย่อถ้าพอมีเวลาพระสารีบุตรจะช่วยขยายความหรือแนะนำพิสุท์ทั้งหลายต่อไปเพื่อความแจ่มแจ้งชัดเจนคราวหนึ่งณเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเตือนให้พิสุทธ์ทั้งหลายเป็นธรรมธายาตคือเป็นผู้รับวรดุกธรรมของพระองค์ อย่าเป็นอามิสถาญาต์รับมรดกอามิธโด ย, น, ยดนิยะ์ัางนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเป็นธรรมทาญาติของเราเถิดอย่าเป็นอามิสธาญาต์ของเราเลยเรามีความเอ็นดูในพวกเธอทั้งหลายปรารถนาอยู่ว่าทำอย่างไรหนอสาวกของเราจะพึงเป็นธรรมทาญาต์ไม่เป็นอามิสถาญาต์ถ้าเธอทั้งหลายเป็นอามิสธาญาต เวนยูชนจะพึงติเตียนว่าดูเถิดดูสาวกของพระโคดมล้วนเป็นอามิส h าญาต์หนักในอามิ t h มุ่งอามิ t h ไม่เป็นผู้หนักในธรรมไม่มุ่งในธรรมถ้าเธอทั้งหลายเป็นธรรมทายาทก็จะไม่ถูกติเตียนจากบวนยูชนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้รับบรดกอามิ t h ของเราไม่น่าสรรเสริญส่วนผู้รับบรดกธรรมของเราน่าสรรเสริญ เพราะการรับบรดกธรรมนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความมักน้อยสันโดษขัดเกลวเลี้ยงง่ายมีความเพียนสม่ำเสมอไม่ถอยหลังด้วยเหตุนี้แหละพระภิษุทั้งหลายเราจึงปรารถนาว่าชะหนหนอสาวก ข, ของเราจะพึงเป็นธรรมธายาตไม่เป็นอมิสฐายาตเมื่อพระศาสาดาเสด็จลิกไปแล้วไม่นานพระสารีบุตรได้กล่าวกับภิษุทั้งหลายว่า เมื่อพระศาสดาผู้ทรงเป็นครูของพวกเราเสด็จอยู่สงัดแล้วสาวกบางพวกไม่ได้ปฏิบัติตามส่วนสาวกบางพวกปฏิบัติตามทั้งนี้เพราะเหตุไรภิกษุทั้งหลายกราบเรียนว่าขอให้พระสารีบุตรอธิบายให้แจ่มแจ้งเถิดภิกษุทั้งหลายได้ฟังแล้วเข้าใจแล้วจักได้ทรงจำไว้พระสารีบุตรจึงว่า ที่สาวกบางพวกไปศึกษาไม่ปฏิบัติตามตามความสงัดของพระาศาสดานั้นก็เพราะพระาศาสดาตรัสให้ละสิ่งใดก็ไม่ละสิ่งนั้นแต่กลายเป็นผู้มากๆย่อย่อนเป็นหัวหน้าในการท้อถอยทออทุระในความสงัดภิกษุอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นเทระคือเป็นผู้ใหญ่บวชนานหรือเป็นผู้ปูนกลางหรือเป็นผู้ใหม่นว ก, กะ อยอมได้รับการติดเตียนจากวินยูชนสามสถานว่าพระาศาสดาตัดแล้วแต่ว่าพระสาวกไปศึกษาปฏิบัติตามในเรื่องความสงัดพระาศาสดาทรงสอนให้ละสิ่งใดก็ไม่ละสิ่งนั้นเป็นผู้ที่มกักมากย่อหย่อนเป็นหัวหน้าในการท้อถอยทอดทุระในความสงัดส่วนพระสาวกที่ศึกษาปฏิบัติตามความสงัดของพระาศาสดาก็เพราะเหตุที่ พระศาสดาสอนให้ลางสิ่งใดก็ล้างสิ่งนั้นไม่เป็นผู้มากมากไม่ย่อย่อนไม่ทอดทุระในความสงัดภิกษุผู้เป็นอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เทระเป็นผู้ปูนกลางมัชชิมะหรือเป็นผู้ใหม่ดวิกะย่อมได้รับการสรรเสริญจากวิญญูชนสมสถานตรงกันข้ามกับภิกษุที่วิญญูชนพึงติเตียนภิกษุทั้งหลาย ภาษาเรบุตรกล่าวต่อไปบรรดาธรรมที่เป็นอกุศลทั้งหลายกิเลสเหล่านี้เป็นสิ่งต่ำซามคือความโลภหนึ่งความคิดประทุสร้ายหนึ่งความโกรธหนึ่งความผูกโกรธหนึ่งการลบหลู่คุณท่านหนึ่งการตีเสมอท่านหนึ่งความริษยาหนึ่งความตรณีหนึ่งความเจ้าเล่หนึ่งความมักอวดหนึ่งความหัวดื้อหนึ่งความแข่งดีหนึ่ง ความถือตัวหนึ่งความดูหมิ่นผู้อื่นหนึ่งความเมาหนึ่งความประมาทหนึ่งรวมเป็นอุปกิเรส16ประการเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตทำจิตให้ตำซามท่านทั้งหลายมัชฌิมาปฏิปทาหรืออริยมรรคประกอบด้วยองค์แปประการคือความเห็นชอบความตั้งจิตชอบเป็นมรรคอันประเสริฐให้เกิดความเห็นให้เกิดความรู้ เป็นไปเพื่อความสงบ ป, ประงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพานอันพระบรมศาสดาทรงแสดงไว้แล้วตรัสไว้ดีแล้วเพื่อท่านทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายเดินตามทางนี้แล้วย่อมให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์อย่างแน่นอนเมื่อพระธรรมเสนาบดีกล่าวจบลงภิกษุทั้งหลายต่างชื่นชมต่อภาะิตของท่านอิ่งนัก พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรนั้นเป็นผู้ที่มีปกติสันเสริญเพื่อนพรมจารีตามคุณที่มีจริงเป็นจริงปรารถนาสนทนากับภิกษุอื่นที่พระศาสดาทรงยกย่องดังเรื่องต่อไปนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะเวรุวันวิหารนครราชครึกครั้งนั้นภิกษุชาวชาติภูมิประเทศจนวนมาก จำพรษาแล้วในชาติภูมิพากันมาเฝ้าพระาศาสดานาเวรุวันวิหารพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายในชาติภูมิประเทศภิกษุรูปใดที่เป็นเพื่อนพรมจารีชาวชาติภูมิยกย่องว่าเป็นผู้มักน้อยสันโดษชอบสงัดไม่คุกคลีด้วยหมู่คณะมีความเพียรสม่ำเสมอสมบูรณ์ด้วยศีลปัญญาวิมุต และวิมุตติยานัทสนะกล่าวพรรณนาคุณความมักน้อยความสันโดษความสงัดความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาวิมุตต์และวิมุตติยานัทสนะแก่พิกษุท์ทั้งหลายเป็นผู้โอวาทแนะนําชักจูงให้พิกษุผู้ร่วมประพฤติปรมาจรรันให้อาถาน ร, ร่าเริงภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าภิกษุทผู้ถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติดังที่พระพุทธองค์ตรัสนั้น คือพระปุณณมันตานีบุตรขณะนั้นพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรนั่งอยู่ณที่เฝ้าพระบรมศาสดาด้วยได้ฟังพิสูจนทั้งหลายสรรเสริญคุณของท่านปุณณเจนั้นจึงดาริว่าเป็นลาภของท่านปุณณมันตานีบุตรเหลือเกินความเป็นมนุษย์ของท่านอันท่านปุณณได้ดีแล้วคือได้มีคุณธรรมอันเป็นสมบัติที่ประเสริฐของมนุษย์ ที่เพื่อนโรมจารีผู้เป็นวิญญูชนทั้งหลายกล่าวยกย่องสรรเสริญพรฒนาคุณเฉพาะพระพักของพระศาสดาและพระบรมศาสดาก็ทรงอนรโมธนาคำยกย่องนั้นฉนายหนอเราจะพึงได้พบพระคุณณมันตานีบุตรแล้วสนธนาปลาใสากันสักครั้งหนึ่ง ดูเถิดคนมีใจสูงไม่ได้ทราบว่าบัณฑิตยกย่องผู้ใดก็ปรารถนาพบและสนทนากับผู้นั้นเพื่อได้ความรู้ความเข้าใจหรือเพื่อเทียบเคียงความคิดเห็นส่วนคนใจต่ำมีจิตใจริษยาเป็นเจ้าเรือนไม่ได้ฟังคำสรรเสริญผู้ใดก็เกิดมานะและเกิดริษยาขึ้นคิดกำจัดคุณของเขาทนไม่ได้ต่อลาบต่อยศและสรรเสริญ และสุขที่ตกแก่ผู้อื่นครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนักตรงราชคลึตามพระอัธยาศัสยพอสมควรแล้วเด็จจาริกไปโดยลำดับถึงพระนครสาวัถีราชธานีแห่งแว้นโกศสนประทับอยู่ที่เชตวนารามของอนาถปิณฑิกาเศรษฐีท่านพระปุณณมันตานีบุตรได้ข่าวว่า พระผู้มีพระภาคเสด็จถึงเมืองสาวัตถีประทับอยู่นาะเชตวรนารามจึงเรีบเก็บงำเสนาสนะถือบาทและชีวรจาริกไปโดยลําดับตามเส้นทางที่จะไปสู่นครสาวัตถีเมื่อถึงแล้วได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งลงณาที่กวรแก่ตนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสนทนาให้พระกุ่นได้เห็นแจ้ง ให้อาฐานปราเริงด้วยธรรมีคะถาคือถ้อยคำอันประกอบด้วยธรรมเป็นอันมากท่านพระปุณณนะชื่นชมอนุโมทนาพระภาสิตของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกจากอาสนะถวายอภิวาททำปทักษิณแล้วเข้าสู่ป่าอันธวันเพื่อพักทังวัขดขณะนั้นพิสุรูปหนึ่งเข้าไปหาพระสารีบุตรแล้วแจ้งข่าวให้ทราบว่า พระปุณณมันตานีบุตรที่ท่านสันเสริญอยู่ดืองๆนั้นบัดนี้ได้มาสู่เชตวนารามเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วไปพักกลางวันณป่าอันทวันท่านภาษารีบุตรได้ทราบดังนั้นรีบถือผ้านิสีธนะหรือผ้ารองนั่งติดตามพระปุณณะไปข้างหลังพอมองเห็นทีรษะได้ท่านทั้งสองได้ไปพักกลางวันอยู่ที่โคนไม้ซึ่งไม่ห่างกันนัก จบจนสายันตการพระสารีบุตรจึงออกจากที่พักผ่อนเข้าไปหาพระปุณณได้ทักทายปลาสายคนพอสมควรแล้วพระสารีบุตรจึงถามขึ้นว่าผู้มีอายุท่านประพฤติพรหมจรรย์นในพระผู้มีพระภาคของพวกเราหรือถูกแล้วท่านผู้มีอายุพระปุณณตอบท่านประพฤติพรหมจรรย์นในพระผู้มีพระภาคเพื่อความบริสุทธิ์แห่งศีลหรือ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 หาไม่ได้เพื่อความหมดจดเป็นความรู้แจ้งเห็นจริงหรือไม่ใช่อย่างนั้นท่านผู้มีอายุพระสารีบุตรกล่าวข้าพระเจ้าถามท่านถึงการประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อวิสุธทธิอย่างใดอย่างหนึ่งถึงเจประการด้วยกันท่านก็ตอบปฏิเสธเสสิ้นถ้ากระนั้นท่านประพฤติพรหมจรรย์เพื่อสิ่งใดพระปุณณะตอบว่า เพื่อความดับไม่เหลือเชื่อคืออนุปาทาปรินิพานพระสารีบุตรได้ถามต่อไปถึงความหมายของอนุปาทาปรินิพานว่าเป็นอย่างเดียวกับวิสุท ธ, ธิศีลหรือศีลวิสุท ธ, ธิจิตวิสุท ธ, ธิจนถึงญาณทัศนวิสุท ธ, ธิหรือไม่พระปุณณะตอบว่าไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นอะไรเล่าคือความหมายของอนุปาธาปรินิพาน พระปุณธมันตานีบุตรผู้ได้รับการยกย่องจากพระศาสดาว่าเลิศกว่าพระษาว o ทั้งหลายในการกล่าวธรรมได้ตอบพระสารีบุตรว่าศีลวิสุท ธ, ธิก็ดีญาณทัศนวิสุท ธ, ธิก็ดียังเป็นธรรมที่มีอุปาทานถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงบัญญัติวิสุท ธ, ธิเหล่านี้ว่าเป็นอนุปาทาปรินิพพานแล้วก็ได้ชื่อว่าพระองค์ทรงบัญญัติธรรมที่ยังมีอุปาทานว่า เป็นอนุปาธาปรินิพานท่านผู้เจริญพระพุทธะกล่าวต่อไปข้าพเจ้าขออุปมาให้ท่านฟังเพราะว่าบุคคลบางคนสามารถเข้าใจความอลึกซึ้งได้ด้วยอุปมาเหมือนอย่างว่าพระเจ้าประเสนที่โกศลมีพระราชภารกิจด่วนบางอย่างที่จะต้องเสด็จไปยังเมืองสาเกตในระหว่างเมืองสาเกตและเมืองสาวตีนั้น จะต้องใช้รถด่วนถึงเจ็ผลัดคือรถเทียมาทรงอาศัยรถแต่ละผลัดรับช่วงกันไปเรื่อยๆจนถึงผลัดที่เจจึงถึงเมืองสาเกตถ้าจะมีผู้ถามพระองค์ว่าสเสด็จถึงเมืองสาเกตจากนครสาบถีได้รถผลัดใดพระองค์จะตรัสตอบอย่างไรจึงจะชอบด้วยเหตุผลผู้มีอายุพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลจะต้องตรัสตอบว่า ได้เสด็จมาโดยรถเป็นผ ล, ลัดถึงเจ็ดผลัดพระปุณณมันตานีบุตรจึงกล่าวว่าเครื่องวิสุทธิเจ็ดก็ทำนองเดียวกันนั่นแหละอาศัยกันส่งกันไปเป็นทอดๆประโยชน์เพื่อปูลแก่กันและกันจนถึงอนุปาธาปรินิพานข้าพเจ้าประพฤติพรหมจรรย์เพื่ออนุปาธาปรินิพานนั้นเมื่อพระปุณณมันตานีบุตรกล่าวอย่างนั้น พระสารีบุตรได้ถามขึ้นว่าท่านผู้เจริญเพื่อนพรมาจรรย์ทั้งหลายเรียกนามท่านว่าอะไรเมื่อพระปุณณะบอกนามของตนแล้วพระสารีบุตรจึงกล่าวว่าท่านผู้มีอายุหน้าอัศจรรย์นักทำอนลึกซึ่งท่านปุณณะมันตานีบุตรได้เลือกเฟ้นมากล่าวด้วยปัญญาอนลึกซึ่งเยี่ยงพระษาวกู้ได้สดับแล้วรู้ทั่วถึงคาสั่งสอนของระาศาสดา โดยท่องแท้จะพึงกล่าวเป็นลาบของเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายที่ได้พบได้เห็นและได้นางใกล้ท่านปุณณะพระปุณณะได้เอ่ยถามนามของภิกษุซึ่งท่านร่วมสนทนาอยู่ด้วยพระสารีบุตรตอบว่าข้าพเจ้าชื่ออุปติสักแต่ว่าเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายเรียกข้าพเจ้าว่าสารีบุตรครั้นได้ยินชนีพระปุณณมันตานีบุตรจึงกล่าวนิยมขึ้นว่า ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าไม่ทราบเลยว่ากําลังนั่งสนทนาอยู่กับพระษาวกผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่คล้ายพระศาสดาถ้าได้ทราบแต่ต้นแล้วคงจะพูดอะไรไม่ออกไปแน่แท้น่าอาศัศจรรย์จิงท่านผู้เจริญทําอนลึกซึงท่านสารีบุตรเลือกเฟ้นมาถามด้วยปัญญาอนลึกซึงตามเยี่ยงที่พระสาวก k e ผู้ได้สดับแล้วรู้ทั่วถึงคําสั่งสอนของพระศาสดาโดยท่องแท้จะพึงถาม เป็นลาภของเพื่อนพรหมจัรย์ยิ่งนักที่ได้พบได้เห็นได้นั่งใกล้ท่านสารีบุตรไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์อันหนึ่งนับว่าเป็นลาภของข้าพเจ้าด้วยที่ได้พบเห็นได้นั่งใกล้ท่านสารีบุตรพระเถระทั้งสองผู้ประเสริฐนั้นต่างชื่นชมพาสิติ์ของกันและกันด้วยพระการลชนี ตะครหาบดีชาวนาครมัชิกาสนเห็นพระมหานามาเถระซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนพระปัญจวัคคีเที่ยวบินธบาตอยู่ได้เลื่อมใสในอุริยาบทสมณาสารูปของท่านจึงได้รับบาทและอารัธนาเข้าไปสู่เรือนของตนแล้วอังค่าด้วยอาหารอันประนีตเมื่อเสร็จภัตกิจแล้วได้ฟังธรรมคถาแล้วบรลุโสดาปฏิผลมีศรัทธาไม่หวั่นไหว ไม่ต้องมีผู้อื่นเป็นปัจจัยในเรื่องความเชื่อต่อคําสอนของพระศาสดาขห บ, บดีมีความประสงค์จะถวายอุทยานอัมพากตะวันของตนให้เป็นสังขารามที่พักอาศัยเพื่อบําเพ็ญสมณธรรมของสาวกแห่งพระศาสดาจึงหลั่งน้ําลงในมือของพระเถระถวายสวนนั้นอุทิศสงศ์ซึ่งจรมาจากจตุรทิศ ขณะนั้นเองปตัตตภีแสดงอาการหวั่นไหวเป็นเครื่องบอกเหตุว่าพระพุทธศาสนาได้ตั้งมั่นแล้วจิตตกหับบดีเป็นผู้พล่งพร้อมด้วยศรัทธาและโภคะได้สร้างวิหารใหญ่ในอุทยานเพื่อสงสซึงจรมาจากทิศทั้งปวงท่านเป็นผู้ที่มีประตูเรือนที่เปิดแล้วสำหรับสาวกของพระาศาสดาครั้งนั้นพระสุะทัมเถระเป็นเจ้าอาวาสแห่งวัดที่ จิตตคหบดีสร้างถวายนั้นฝ่ายพระคราสาวกทั้งสองคือพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะได้สดับเสียงสรรเสริญคุณของจิตตะคหะบดีมีความประสงค์จะสรงคราะหให้ประสบบุญเป็นอันมากจึงเดินทางไปสู่นครมัชชิกาสนคหะบดีทราบการมาของพระครสาวกทั้งสองปลาโมดเป็นที่ยิ่งเดินทางไปต้อนรับในระยะกึ่งโยชธ แล้วพาท่านผู้ประเสริฐทั้งสองไปสู่อารามของตนก็ทำอาคันตุกะวัดเป็นอย่างดีแล้วอ่อนวอนพระธรรมเสนาบดีว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าใคร่ฟังธรรมหากไม่เป็นการลาบากแก่ท่านแล้วขอท่านได้โปรดแสดงธรรมสักหน่อยหนึ่งเถิดดูก่อนอุบาสกอาตมาภาพทั้งสองเดินทางไกลมาเหนื่อยเหลือเกินแม้ปรารถนาจะแสดงธรรมแก่ท่านให้มากให้สมศรัทธาของท่าน ก็คงทำไม่ได้ในเวลานี้ขอท่านได้ลังสักหน่อยหนึ่งเถิดเมื่ออาตมาภาพทั้งสองหายเหนื่อยแล้วจากแสดงธรรมแก่ท่านโดยพิสดารพระคุณเจ้าธรรมกถาของท่านผู้เปรียบปานพระศ า, าสดานั้นจะมากหรือน้อยไม่สำคัญมัทุรสวาจานั้นย่อมเสมือนน้ำอมฤตเมื่อพระธรรมเสนาบดีแม่ทัพธรรมแสดงหลักคาสอนแห่งพระพุทธศาสนาจบลงนั่นเอง ขหบดีได้มารูอริยผลชั้นอนาคามีเป็นผู้ไม่กลับมาสู่โลกนี้อีกท่านปลาปลื้มเป็นนักหนาที่ได้ดิ้มรสอมตะธรรมที่สุขขุมลุ่มลึกถึงปานี้ท่านผู้เจริญพรุ่งนี้ขอท่านและพระผู้เป็นบริวารได้โปรดรับภลิกษาที่เรือนของข้าพเจ้าโดยเถิดขหบดีอารัธนาพระมหาสาวกรับนิมนต์ด้วยดุษณนีแล้ว ขหบดีจึงนิมนต์พระสุธรรมเถระภายหลังว่าท่านขอรับแม้ท่านก็ข อ, อนิมนต์ไปกับพระอัครส า, าวกด้วยมานะแห่เงเจ้าอาวาสก็เกิดขึ้นแก่พระสุธรรมว่าเราเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่นี่แต่ว่าขหาบดีกลับนิมนต์เราทีหลังพระอคตุการขหบดีไม่ได้ความสําคัญแก่เราเลยภายใต้การบัญชาของทิฏฐิมานะกิเลสร้ายนั่นเองพระสุธรรมจึงกล่าวว่า อย่าเลยขหบดีขอท่านได้เลี้ยงพระคราสาวกและพระอคันตุการอื่นๆให้อิ่มหนำสําราญเถิดอย่าได้พะวงถึงอาตมาเลยอาตมาไม่มีความสําคัญดอกพระคุณเจ้าอย่าทําอย่างนั้นเลยอย่าทําให้กระพบีเจ้าเสียความตั้งใจเลยท่านเป็นผู้มีความสําคัญสําหรับอาวาสนี้เป็นอันมากแม้ขหบดีจะอ้อนวอนสักเท่าใดพระสุธรรมก็หายินยอมรับนิมนต์ไม่ ในที่สุดจิตตะกะหาบดีจึงกล่าวว่าท่านขอรับท่านจะปรากฏด้วยกรรมของตนเองดังนี้แล้วหลีกไปวันรุ่งขึ้นกะหาบดีจัดแจงเตรียมทยธรรมเพื่ออักขรส า, าวกและพิสุสงอื่นอื่ น, อ, นอันตนนิมนต์ไว้แล้วฝ่ายพระสุธรรมในเวลาใกล้รุ่งคิดว่ากะหาบดีจัดแจงสการะอย่างไรหนอเพื่ออักระสาวกเราควรไปดู ในจิตอนันรุมร้อนในความริษยานั่นเองพระสุธรรมไปสู่เรือนของจิตตากะหะบดีแต่เช้าตรู่กะหะบดีต้อนรับด้วยกิริยาอ่อนน้อมและเชื่อเชิญด้วยวาจาว่าข อ, อนิม น, น, นั่งก่อนเถิดขอรับแต่พระสุธรรมก็หาเอื้อเฟื้อต่อคำมิงบอนไม่กล่าวยังมีโทสาว่าเราไม่นั่งจกเที่ยวไปบินธบาตพรางตรวจตูสการะที่กะหบดีเตรียมไว เพื่อพระอัคราสาวกทั้งสองประสงค์จะเสียสีขหาบดีด้วยชาติกำเนิดจึงกล่าวว่าสการะทยธรรมของท่านคราวนี้มีเหลือล้นขาดอยู่อย่างเดียวเท่านั้นอย่างเดียวจริงๆอะไรหรือขอรับขหาบดีถามด้วยความฉงนขาดขนมแดกงาพระสุธรรมพูดปล่อยออกมาอย่างชงใจเต็มที่ด้วยความรู้สึกว่า พระรูปนี้ควรได้รับบดเรียนอันสะสมแก่ความหยาบคายของตนขห บ, บดีจึงกล่าวต่หนิพระสุธรรมว่าเป็นผู้กล้าเหมือนกาไม่ได้มีกายวาจาายอ่อนโยนเยี่ยงสมณะที่ดีทั้งหลายพระสุธรรมโกรธมากบอกมอบคืนอาวาสให้กห บ, บดีว่านั่นอาวาสของท่านเราจะไปในบัดนี้จะไม่กลับมายังอาวาสของท่านอีก กหบดีพยายามอ้อนวอนพระสุธรรมถึงสาครั้งว่าขอให้อยู่ในอาวาสของตนอย่างเดิมแต่ว่าพระสุธรรมหาฝั่งไม่ทัลมัจิกาสนด้วยเบื้องหลังมุ่งหน้าไปสู่สมกพระาศาสดาณเฉตวนณารามกราบทูลเรื่องทั้งปวงระหว่างตนกับจิตตะกหบดีให้ทรงทราบ พ, พระาศาสดาผู้ทรงไว้ซึ่งความเมตตาและความยุติธรรมทรงทราบเรื่องโดยตลอดแล้ว ทรงตำหนิพระสุธรรมเป็นอนเนกกับประการและตรัสว่าจิตตะกะหบดีเป็นอุบาสกที่มีศรัทธาปีศีลเธอด่าว่าเขาได้คำยาคายไม่สมควรแก่สมณะเธอนั่นแหละเป็นผู้ผิดเธอต้องไปขอโทษอุบาสกนั้นเสียดังนี้แล้วรับสั่งให้สงลงปฏิสารณียกรรมแก่พระสุธรรมนั้นปฏิสารมีกรรมเป็นกรรมอันหนึ่งในประเภที่กะหะ คือการขม่มภิสูุผู้ประพฤติไม่สมควรเช่นเป็นคนปากร้ายด่าว่าเครือหัดผู้มีศรัทธาเลื่อมใสผู้เป็นทายกอุปถากสง์ด้วยปัปจจัยสี่อันเป็นเหตุให้คนที่ยังไม่เลื่อมใสไม่เลื่อมใสทําคนที่เลื่อมใสยอยู่แล้วให้คลายความเลื่อมใสลงไปสงเห็นสมควรลงโทษเพื่อให้ตัวรู้สึกจึงประกาศลงปฏิสารณียกรรมให้พิสูจนนั้นไปขอโทษเครือหัดที่ตนด่าว่าเสีย ถ้าเธอไม่อาจไปขอโทษตามลําพังหรือทําโดยลําพังไม่สําเร็จก็ให้สงสมุดพิสูตรรูปหนึ่งเป็นอนุทูตเจรจ า, าความหน้าที่ของอนุทูตคือช่วยพูดเกลี่ยกล่อมให้กระหัตให้อภัยจะในานามของตนหรือในานามของสงก็ได้มาตกลงกันได้แล้วรับอาบัติที่พิสูจน์นั้นแสดงต่อหน้าเขาแล้วจึงให้ขามาพระสุธรรมเทระกลับไปยังมัชชิกาสน ให้จิตตะกะหาพดีอดโทษแต่ว่าจิตตะกะหาพดีไม่ยอมอดโทษพระสุธรรมเก้อเขินกลับไปสู่สนักพระาศาสดาอีกความจริงพระธัาคตเจ้าทรงทราบว่าอุบาสกจะไม่ยอมอดโทษแก่พระสุธรรมแต่ทรงดมิว่าพระสุธรรมนี้กระด้างนักมีมานะจัดนักมีพระประสงค์จะ ก, กำปราบให้คลายมานะถอนทิฏฐิจึงไม่ได้ทรงบอกอุบายในการขอเขอมา ปล่อยให้พระสุธรรมเดินทางไปมาสิ้นระยะทาง6โยศคือ96กิโลเมตรเพื่อให้เห็นความลำบากในการที่ต้องแบกทิฏิมานะของตนไปเมื่อพระสุธรรมกลับไปเฝ้าอีกครั้งหนึ่งจึงทรงประทานพระอนุถธูตเพื่อเดินทางไปด้วยก่อนออกเดินทางพระาศาสดาทรงประทานพระโอวาทว่าสมณะไม่ควรให้มานะหรือริษยาหรือความหวงแหนเกิดขึ้นว่า วิหารของเราที่อยู่ของเราอุบาสกอุบาสิกาของเราเพราะเมื่อสมณะคิดอยู่เช่นนี้กิเลสทั้งหลายมีฤิษยาและมานะเป็นต้นย่อมเจริญขึ้นภิกษุผู้เป็นพานย่อมปรารถนาความยกย่องซึ่งคุณอันตนไม่มีอยู่จริงปรารถนาการแวดล้อมจากภิกษุทั้งหลายต้องการความเป็นใหญ่ในอาวาสและการเคารพบูชาจากตระกูลอื่นนอกจากนี้ ภิกษุผู้เป็นพานย่อมมีความตาธนาเกิดขึ้นว่าขอคาราหัดและบรรพชิตทั้งหลายจงเห็นว่าสิ่งต่างๆที่ทำแล้วในอาวาตนี้เป็นเฉพาะของเราผู้เดียวทำหรือเพราะอาศัยเราคิดน้อยใหญ่จึงสำเร็จลุล่วงลงได้เมื่อเธอคิดอยู่อย่างนี้ฤทธิยาและมานะย่อมเจริญขึ้นดูกรผู้สแสวงสันติวรบุทั้งหลาย พระพุทธภาษิตกัดเตือนพระสุ ธ, ธรรมนี้น่าสนใจมากโดยเฉพาะภิกษุผู้เป็นใหญ่ในอาวาสซึ่งมีมานะะริษยาหรือความหวงแหนออกหน้าในการดำเนินงาน